มาทั้งทีอดดูว่ามเป็นไงความหิวถ้าเผื่อเราเป็นฆราวาสเราจะได้รู้จักว่าความหิวนั่นคืออะไรความยากจนของพี่น้องประชาชนเมื่อเราได้เป็นหมอแล้วเราจะรู้ได้ว่าความหิวนั่นคืออะไรเราจะได้รู้ตัวของเราเป็นเครื่องวัดเออสมัยเราอดอาหารไม่ได้กินอาหารหลายวันมี ความลําบากยังไงทุกยากยังไงหิวโหยอย่างไรเนี่ยเราจะได้รู้อย่างหลวงพ่อเหมือนกันอยู่ในฐานะอย่างนี้ดูลอบด้านเหมือนกันดูก็ทั่งหมูป่าพวกลิงพวกข้างพวกสัตว์ป่าที่มาอาศัยในวัดไม่ใช่อาศัยแล้เขามาอยู่ก่อนเราตนตะพูลของเขามาอยู่ก่อนเราเรามาอายุมาอยู่มาไล่เขาออกก็ว่าได้มนุษย์วะยัไม่ใช่หลวงพ่อนะมนุษย์เข้ามาแล้ยไป เบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารเกือบจิบหายวายพวงไปหมดพอหลวงพ่อมาแล้วก็พยายามปกป้องทํารั้วขึ้นมาสัตว์ทั้งหลายก็ได้พึ่งพาอาศัยอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยอยู่ข้างนอกไม่มีหลักสัตว์อย่างนี้มีแต่อยู่ในวัดอย่างปลาอยู่ในคลองนี่ก็เยอะแยะเต็มไปหมดปลาก็มากสัตว์สัตว์ทั้งหลายพวกลิงพวกข้างนก ร้องให้พวกเราได้ยินเนี่ยก็คือเป็นนกป่าทั้งนั้นแต่ใ น, นเมื่อเราพึ่งพาอาศัยกันหลวงพ่อเองก็ได้บอกให้พระถ้าหากว่าพวกอาหงอาหารพวกมงพวกมันถ้าหากว่าดูแล้วมันขาดเหลือขาดตกก็ให้สั่งเพื่อเลี้ยงสัตว์ได้แต่ตามไม่จริงพระบางทีก็ได้กระตุ้นเตือนเหมือนกันตามไม่จริงขนาดจะคิดได้แล้วแะขนาดไหนจะพอเหมาะ กี่วันตามไม่จริงหลวงตามหาบวัวไทยคติท่านก็บอกว่าอย่าให้มันอิ่มจนเกินไปนะถ้ากินอิ่มเกินไปมันก็ขยายพันธุ์เร็วก็ทำให้มันดีแต่ว่ากดเกินไปก็ไม่ดีให้มันพออยู่ได้ตามอัตภาพอย่าให้มันหิวจนเกินไปนะถ้าสรุปล้วก็คือความเป็นธรรมความเป็นธรรมเราก็เสียสละ จะตกปัจจัยซื้อมาให้มันกินมันก็จะให้มันอิ่มจนเกินไปไม่ใช่ว่าจะลาดท้องออกมันก็ให้มันอยู่ได้แต่ถ้ามันหิวเกินไปมันก็ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็พยายามหลวงพ่อพยายามบอกกล่าวพระเหมือนกันแต่จะให้หลวงพ่ออย่างดึกทุกอย่างเป็นไปไม่ได้อย่างปลาในสระก็เหมือนกันหลวงพ่อก็เตรียมอาหาร ปลามาไว้เหมือนกันนี่ก็ไม่ได้เอาอาหารให้หลายวันแล้วอาหารปลาก็สั่งมาไว้สําหรับเลี้ยงปลกปลาในน้ําแต่ปลาอย่างในคลองไม่มีหาปลาคลองเนี่ยพวกมันมีธรรมชาติอยู่ธรรมชาติแต่ในสะเนะี่ยน่าสงสารมันเหมือนกันขอบไม่มีอาหารจะกินอย่างนั้นก็ต้องได้ดูดูแลๆเได้เลี้ยงเพราะงั้ น, นหวานให้เป็นบางครั้งให้มันมีอยู่มีกินบ้าง แต่เมื่อวานนี่ก็เนี่ยให้เจ้าอ้วนกับเจ้าเล็กไปเอาเกลือจากอำเภอบ้านดุงทราบขาวเอามาตันกว่ามั้งตันห้าเกลือเอามาทําไมแต่ก่อนหน้านี้ก็มีกรมปศุสัตว์จังหวัดเขาเอาเกลือแร่คาดเกลือแร่มาให้เหมือนกับก้อนอิฐเนี่ยสีแดงแต่มันเป็นเกลือแร่สําหรับให้พวกสัตว์ทั้งหลาย มาแล้วก็มันก็มาเลียเลยเลยีกินแล้วก็ให้มันมีธาตุเกลือมีอะไรเพราะมันมีเกลือแร่อยู่ในนั้นเราเขาเอามาให้อยู่นานพอสมควรพอช่วงหลังๆนี่ก็เศรษฐกิจไม่ดียังไงก็ไม่รู้เราก็ขาดการติดต่อไปมันก็ไม่ได้เอามาให้ทีนี้ก็ดูๆแล้วพวกกลิงขนก็หลุดล่วงมากหมูป่าก็เหมือนกัน เห็นแล้วผมบางตัวก็ขนหลุดล่วงมากมันคงจะขาดเกลือแร่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะในวัดของเราไม่มีพวกเกลือแร่ไม่มีเกลือไม่มีตะก่อนก็มีอยู่ที่สระน้ํานะั่นแต่ถามคนเข้าคนแ ก, ก่ว่ามันเป็นโป่งว่างั้นแต่หมูพวกกลางพวกสัตว์ทั้งหลายมากินตรงนั้นแต่ในน้ําก็ท่วมขึ้นมาแล้วมันจะเป็นจุดจุดมันเป็นแห่งๆสำหรับเลี้ยงสัตว์ป่า แต่นี่เราก็เรยว่าน่าจะทำเป็นโปร่งเทียมหรือว่าทาเป็นที่ให้มันกินเป็นเกลือหรือว่าจะไปเอาเกลือมาแล้วก็ขุดหลุมลงสักหน่อยแล้วก็เทเกลือลงไปให้เกลือมันซึมซับลงไปในแผ่นดินมันก็จะได้กินดินเพื่อจะได้ เพิ่มแร่ธาตุของมันแต่ถ้าเราก็ถามเหมือนกันนะไปถามทางทุ่งกำมังเราก็ถามว่าทำยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะเขาก็ขุดดินขึ้นมาแล้วก็เอาดินเทลงไปเอาโป๊ะ เ, เกลือเทลงไปเป็นที่ๆเป็นจุดๆของมันเพื่อจะให้พวกสัตว์ได้ไปกินโปร่งได้กินเกลื อ, องั้นมันขาดขาดธาตุเกลือ อันนี้เราก็นี่แหละยว่อมคงจะทําอย่างนั้นได้หลายจุดภายในวัดของเราเพื่อจะให้พวกสัตว์พวกลิงพวกค่าชะนีหมูปา่าพวกเก้งพวกสัตว์ปา่าได้กินพวกโปง่งพวกเกลือว่าั้นอันนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันคือเมตตาถ้าไม่ให้เป็นไงไม่ให้ก็ไม่มีอะไรไม่มีสัตว์มันก็ไม่มีสิทธิที่จะมาฟ้องเราได้ ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรเราได้แต่ว่ามโนธรรมติเตียนในใจของเราว่าเราทำถูกต้องหรือเปล่าถ้าคนมีธรรมในใจก็ต้องคิดอย่างนั้นเราทำได้ถูกต้องหรือเปล่าฉะนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกที่จะอยู่ด้วยกันได้ต้องมีการต้องมีเมตตาเมตตาเป็นพื้นฐานจึงจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุกได้ ถ้าคนที่อยู่ด้วยการขาดเมตตาพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันไม่ได้ทั้งนั้นไม่ต้องพูดถึงบงสาคณะญาติไม่ต้องพูดถึงเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกไม่ต้องพูดถึงสรรพสัตว์เห็นกันมีแต่จะฆ่าจะแฟงเจ้ารัดเอาเปรียบกันมีแตอ่อย่างไงที่ฆ่าจะได้เปรียบคนอื่นแปลว่าฆ่าใหญ่ที่สุดจนมองไม่เห็นคนอื่นบังคนอื่นหมด เห็นแต่ตัวข้าคนเดียวเห็นแต่ตัวกูคนเดียวโลกทั้งโลกมองแต่ตัวเองทั้งนั้นเราคิดดูก็แล้วกันโลกนี้จะวุ่นวายสับสนเดือดร้อนขนาดไหนเพราะโลกไม่มีเมตตาไ ม, ม่มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันเพราะนั้นเรื่องเมตตาของพระพุทธเจ้านี่มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์มากถ้าเรานํามาคิดมาพิจารณาดูแล้ววัวน้ า, นาใจ น้ำใจคือคนมีน้ำใจต่อกันน้ำใจต่อสัตว์น้ำใจต่อเพื่อนมนุษยชาติมีน้ำใจต่ออทุกระดับแต่ฝรั่งเขาคํำนี่กับว่าน้ําใจนี่ไม่มีนะในภาษาอังกฤษโดยมากทีถ้าฝ ร, รั่งพูดให้หลวงพ่อฟังนะหลวพ่อก็ไม่เก่งภาษาหรอกแต่ว่าน้ําใจภาษาอังกฤษไม่มีเขา กตันยูนี่ก็ไม่รู้จะใช้ค์ไหนมาม า, มาใส่เหมือนกันกตันยูกัตะเวทิตานในภาษาอังกฤษจึงจะเหมาะสมแต่มันก็ใกล้เคียงแต่มไม่ตรงตัวเหมือนภาษาไทยที่ ว, ว่ากตันยูนั่นคืออะไรมองเห็นได้ชัดเรื่องน้ำใจนี่ก็เหมือนกันนี่แหละคือน้ำใจนี่ก็คือมีความอบอ้อมอารีมีความเฉลื่อเผื่แพร มีเมตตามีเมตตามตมีกรุณามีมุทิตาถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็ไ ม, ไม่ควรใช้อุปเบกขาถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องอุปเบกขาอุปเบกขาเน่ยเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับตัวของเราพอจะช่วยเหลือสิ่งไหนก็ช่วยไปก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องอุปเบกขาวางเฉยไม่ดีใจไม่ไม่เสียใจอีกต่างหากนะ ให้เข า, าไม่ย่เยอะห ย, ยันเขาไม่ดูถูกเขาเพราะมันสุดวิสัยแล้วไม่ดีใจและไม่เสียใจแต่โดยมากไม่เป็นอย่างนั้นพอปล่อยวางแล้วก็เสียใจพอเอาไม่ไหวแล้วก็เสียใจอันนี้ก็ไม่ดีไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัติอันนี้ก็คือเมตตาในหลักของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างนั ก, กษิตแพทย์ที่มาอบรมจากหลวงพ่อ ในคราวนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่ออยากขอร้องพวกเราทุกทุกท่านเมื่อเป็นแพทย์เป็นหมอแล้วให้มีเมตตาให้มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ชาติเขาที่มาพึ่งพาอาศัยเราเขาทุกบางทีเขาทุกความทุกของเขานั้นเขาแสดงออกทางกายทางวาจาความเกลียดกล้ากราดเกลีกยดโกรธพูดอะไรออกมาพ่อขอเขาทุก อที่เราเป็นหมอเนี่ยจุดนี้แหละเป็นจุดที่เอหมอมีน้ําใจมากน้อยแค่ไหนหมอมีเมตตาขนาดไหนต่อเพื่อนมนุษย์ชาติให้ทั้งกําลังกายให้ทั้งกําลังใจแก่เขาเอยากจะให้พวกนักศึกษาแพทย์ที่มาอบรมธรรมะในครั้งนี้ให้มีน้ําใจอย่างสุดซึ้งให้มองโลกหรือมองมนุษย์ชาติอืเต็มไปด้วยความเมตตา อย่างหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาต่อสรรพสัตว์นั่นแหละในใจก็ตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขจนให้มีคําบริกรรมในจิตในใจข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเนี่ยอันนี้คือน้ําใจเรียกว่าเมตตาเพราะนั้นอยากจะให้พวกเรา ที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าที่จะเป็นแพทย์เป็นหมอต่อไปภายภาคหน้าจะต้องเป็นพี่เป็นที่พึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวโลกทั่วไปอยากจะให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษยชาต์นะต้องเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็อยากจะให้มีความสุขช่วยเหลือเขาเมื่อช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือเราอย่างน้อยใจของเราก็มีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือเขาแล้ว ใจของเราก็เออเราได้ทำถูกต้องแล้วเป็นธรรมแล้วทําหน้าที่ของเราเหมาะสมแล้วอันนี้คือผู้จะเป็นแพทย์เป็นหมอต่อไปภายภาคหน้าแต่บางคนเมื่อเป็นแพทย์เป็นหมอขึ้นมาแล้วก็ใช้วิชาไปในทางที่ไม่ถูกต้องอันนั้นน่าตําหนิอย่างมากไ อ, อ้เขาบอกหมอหน้าเลือดบังอะไรบังก็เคยได้ยิน แต่ตามไม่จริงหลงพ่อไม่อยากจะพูดอย่างนั้นหรอกหมอทุกคนอาจจะมีความจำเป็นบางสิ่งบางอย่างแต่ตามที่จริงอย่างไงก็ตามให้มีเมตตาเป็นพื้นฐานในจิตใจไว้ให้มากๆกันะเขาเราทั้งเขาเราถ้าเราเป็นอย่างนี้ถ้าเรารักษาอย่างนี้เราจะให้เขารักษาไหมถ้าเราป่วยอย่างนี้ถ้าหมอรักษาอยากเราจะรักษาเนี่ยเราจะให้ เราจะพร้อมใจจะให้รักษาไหมเราต้องคิดอย่างนั้นมาอยู่เสมอถ้าหางว่าเราเออเราทำดีที่สุดแล้วถ้าเราเป็นหมอถ้าเราป่วยถ้าหมอรักษาเราอย่างที่เรารักษาคนอื่นเนี่ยเราพร้อมที่จะให้รักษาอันนั้นแปลว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่ถ้าหางว่าเราทำไม่ด้วยความไม่ตั้งใจทำด้วยความไม่ใส่ใจทำขอไปที ออย่างไงก็ได้ทําตามหน้าที่ท่านเองตายก็ตายไปเกิดมาตายเราไม่ได้สนใจแต่บาคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานหรือญาติพี่น้องของเขาที่มาฝากฝังชีวิตจิตใจกับหมอนั้นเอเขามีความทุกข์ขนาดไหนอืมใคิดว่าตาของเขาก็ต้องเขม็งดูหมออยู่ว่าหมอจะให้ความช่วยเหลือเรามากน้อยอย่างไงแค่ไหนเออันนี้คือญาติพี่น้องตลอดถึงคนป่วยไม่ต้องพูดถึงละ ญาติพี่น้องที่มาเกี่ยวข้องเอพ่อแม่ของเขาเขารักขนาดไหนแต่เราเอทำเมินเฉยไม่มีน้ำใจเท่าที่ควรสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าไม่ควรจะมีอยู่ในชาวพุทธของพวกเราชาวพุทธของพวกเราต้องดูน้ำใจเขาเราถ้าเราก็มีน้ำใจเขาก็มีน้ำใจเราคือมีหน้าที่หน้าที่เราพก กินเงินเดือนของพี่น้องประชาชนกินเงินภาษีพี่น้องประชาชนจากนั้นเราก็ห า, หารายได้อีกที่เขาที่เราได้รับการศึกษานี่ก็เราได้รับการศึกษาจากใครครูบาอาจารย์ที่สอนเราครูบาอาจารย์ที่สอนเราก็คือได้กินภาษีพี่น้องประชาชนเครื่องไ ม, ม้เครื่องมือที่เราอยู่อาศัยก็คือภาษีพี่น้องประชาชน ถ้าเราไล่เรียงลงไปตามลำดับตั้งแต่เราเรียนหนังสือเอของเขาของเราเอาที่เข า, าได้เรียนกับเราเนี่ยเขาช่วยเหลือเราเนี่ยมากมายมหาศาลถึงขนาดไหนเขาไม่มีโอกาสที่จะเรียนแต่เขาอยากจะเรียนเหมือนกันแต่เขาไม่มีโอกาสในเมื่อเรามีโอกาสจุดนี้เราก็ควรจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเต็มความสามารถของเราถ้าทุกคนมีน้ําใจอย่างนั้นลงพ่อว่าโลกใบนี้น่าอยู่อย่างมาก แต่ถ้าว่าทุกคนมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันมีแต่แก่งแย่งกันอมีแต่ฉาบฉวยโอกาสมีแต่อทําอะไรเพื่อการค่าไปทั้งหมดขูด ข, ข, ขีดเลือดอกันไปทั้งหมดมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะอถ้าจะพูดไปแล้วก็อา้าวหมอต่างประเทศเขาเอาราคาแพงๆเมืองไทยเราเก็บถูกจะตายไปขนาดนี้ เ, เมืองไทยเราคงน่าจะเก็บแพงเหมือนต่างประเทศเขาแต่ตามไม่จริงเราลืมคิดไปว่ า, าในต่างประเทศ้าการครองชีพของเขาจะเป็นยังไงเงินของเขาัะเป็นยังไงเงินของเขามีคุณค่าขนาดไหนแล้วสวัสดิการของประเทศของเขาจะเป็นอย่างไรเราต้องเปรี ย, บ เ, ย, บ, เย บ, บเทียบให้หมดทุกอย่างเราจึงจะเอาเปรียบเทียบกับเก็บค่าเก็บไข้ได้ป่วยเท่าเทียมกับต่างประเทศเขาถ้าเราคิดให้รอบครอบแล้ว ถ้าใช้ปัญญาถ้ารอบครอบแล้วเนี่ยอืมก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าหากว่ายังไม่รอบครอบนั้นเราจะไปเอาแต่ตางประเทศมาเหยียบย่าทําลายประเทศชาติของเราหลวงพอว่อขาดน้ําใจอย่างมากอหมอคนนั้นขาดน้ําใจอย่างมากไม่มีน้ําใจขาดเมตตาธรรมอย่างมากะในหัวใจเพราะฉะนั้นพวกเราอนักศึกษาแพทย์ทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังหลวงพอนะ่อหลวงพ่อจะให้ความคิด ไปเรื่อยๆนะอแต่ละวันเป็นคติอแต่ไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามไม่ใช่ออะไรทั้งหมดคล้ายว่าเป็นแนวความคิดอคนทั้งหลายพี่น้องประชาชนอย่างลุงพ่ออยู่ในป่าอย่างนี้นะ่ะพระป่าพนะ <c oughs> ระรุงะเกษียนจะเกษียนปีนี้แหละลุงพ่อนะเป็นพระเท่าพรแรงแล้วนะมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนลูกหลานเกี่ยวกับการปกครองเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับ มีน้ำกิดน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ชาตินะเป็นยังไงอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพระลูปพระลานทุกๆององนั่นะนะนะต่อ น, นี้ไปรับพรอนุนมโมทนาให้พอ